ความสุขความเจริญจะมีแต่ท่านผู้ฟังเท่าไหร่การบรรยายพระสูตรในวันนี้จะได้พูดเรื่องอาชีวกสูตรเป็นพระสูตรที่ว่าโดยการตอบปัญหาของพระอนุทเทระอาชีวกนั้นเป็นชื่อของนักบวชประเภทหนึ่งในทางพระพุทธศาสนาเราเห็นว่า ตอนที่พระเจ้าเสด็จมาเพื่อจะแสดงประโทมเทศนาแก่ท่านปัญจวคีเขาพบ ก, กับนักบวชประเภทอาชีวกเรียกอุ ป, ปก า, าชีวกชื่อของท่านก็ชื่อว่าอุ ป, ปกะอสนธิกันกับอาชีวกก็เรียกว่าอุกาชีวกเป็นนักบวชประเภทที่มีความคิดความอ่านอะไรไม่ค่อยรุนแรงอะไรต่อไร แล้วก็ดูข้าวกับคนอื่นเขาได้ดีจะสามารถประนีประนอมบุสนทนาปราศัยแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นกับบุคคลอื่นไดเออ้เป็นนักบวชประเภทที่เรียกว่าค่อนข้างพิเศษคือกับนักบวชในพุทธศาสนานันคุ้นคุ้นกันนะฮะคือถ้าเราสังเกตดูข้อความในพระสูตรก็คุ้นคุ้นกันไปมาหาสูตรกัน เราก็แลกเปลี่ยนความคิดความเห็นกันอยู่บ่อยๆเราก็แม้แต่ตอนที่พุะพุทธนิพพานเราก็พบปะอาชีวกก็ได้ไปในที่พุะเุทธนิพพานด้วยคือความเห็นท่านผิดเหมือนกันแต่ไม่ใช่ผิดแบบนิยตามิชาสิทธิก็ไม่ใช่รุนแรงอะไรข้อหนึ่งพระอนุนเทระ พักอยู่ที่โคสิตารามรุงโกสัมพีก็มีอาชีวกที่เป็นเครือบดีหมายความว่าก็เป็นเป็นเป็นลูกศิษย์ข้ อ, อชีวคกคล้ายๆกับ เ, เป็นอุบาสกในศาสนาของเป็นนัดในทัศนที่อาชีวกเนี่ยก็เข้าไปไปเยี่ยมท่านปราณนนท์แล้วก็ถามปัญหา ในความเห็นของพระอนนท์เนี่ยคือท่านถือว่าใครที่สอนดีที่สุดปฏิบัติ ด, ดีที่สุดแล้วก็รำเนิดไปดีที่สุดเป็นปนัญหาที่น่าคิดนะฮเพราะว่าลักษณะการถามปัญหาถ้ารวบรวมเอาไว้ในสมัยนั้ น, น, นเนี่ยมีอยู่หลายลักษณะด้วยกัน ประเภทแรกคือถามเพื่อจะตัดข้อเครือบแครงสงสัยของตัวเองอันนี้ไม่ค่อยแปลกอะไรมากกว่ามาท่านค้องใจสงสัยไม่แน่ใจในเรื่องอะไรแล้วก็ท่านก็มาสอบถามพอตอบพอชี้แจงท่านอนธิบายเกิดความเข้าใจก็เรียกว่าจบกันแต่คนบางพวกนั้นถามเราค่อนข้างจะดูหมิน่นคนที่จะตอบ คืถามปัญหาเพื่อจะจับผิดคนที่ตอบอย่างที่เราเคยศึกษาเรื่องของจุลสัจจสูตรที่สัจจะนิครนมาถามปัญหาพระพุทธเจ้าในเรื่องอัตานาตานะฮะเราจะเห็นว่าสัจจนิครนนั้นดูหมิ่นพระพุทธเจ้าตั้งแต่พื้นฐานความคิดกางแกมมาแล้วและชวนคนก็เตรียมลูกมือมาเดียโหพระพุทธเจ้าจะทำไง พรตมานลักษณะนี้การตอบปัญหามันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเพราะว่าออพระเรยบุคคลนั้นท่านจะไม่ตอบไปทันทีทันใดแต่จะดูผู้ฝ่าผูถา้ถามถามด้วยเจตนาอะไรแล้วก็มีพื้นฐานในการรับรู้โดยวิธียังไงหรือจะต้องมองอย่างนั้นบางพวกจะเป็นการถามเพื่อต้องการจะเทียบเคียงดูกับความคิดความเห็นของตัวว่าความเห็นของเราเป็นอย่างเนี้ย เราค่อนข้างแน่ใจพอสมควรนะฮะแต่ไม่ถึงร้อยเปอร์เ็นนี่ทยังไงถึงจะให้เป็นที่ยอมรับได้เราก็ไปเข้าหาท่านที่มีความรบรู้แล้วก็สอบถามาที่ผมมีความเห็นอย่างเงี้ยถูกต้องไหมจะมีความบกพร่องอะไรเพราะถ้าถูกต้องท่านก็รับไปเลยท่านก็รับไปเลยโดยโดยไม่จําเป็นีะต้องอธิบายอะไรไม่ใช่ถูกต้องก็จบกัน ทีนี้ถ้าหากว่าไม่ถูกต้องยังมีส่วนบกพร่องอะไรท่านก็เพิ่มเติมให้เพียงเล็กน้อยมันก็เกือบเกือบสมบูรณ์แล้วนะเพราะที่จริงแล้วออท่านก็เข้าใจอะไรลึกซึ้งระสมควรประการต่อไปนั้นคือเป็นการถามเพื่อจิตคิดอนุเคราะห์ต่อผู้ที่ที่จะตอบคือมุ่งดีปรารถนาดีต่อผูต้ตอบส่วนมากก็เป็นผู้ใหญ่ที่ถามผู้น้อย สิประการหนึ่งคือถามผู้จะตอบเองก็ประรอบเรื่องอันใดหนึ่งขึ้นมานะฮะเราจะเห็นว่าแนว น, นี้เราพบในประสูนย์บ่อยที่พระเจ้าเสด็จไปเวลาพระท่านนั่งคุยกันพระเจ้าก็จะเข้าไปแล้วก็สอบถามปัญหาปกติแล้วท่านานั้นก็ตอบไม่ได้นะฮะพระเจ้าก็จะตอบนให้พราะแนวตรงนี้เราเห็นได้ชัดว่า อาชีวกน้นถามในลักษณะที่ต้องการจะจับผิดอะไรสักอย่างหนึ่งยังได้เคยยกตัวอย่างว่าบางทีเนี่ยมันมั น, ม, นมันต้องระมัดระวังต้องระมัดระวังในในการตอบซึ่ ง, งนักวิชาการปัจจุบันเนี่ยเขาเขาตอบผุตลุดอันมางงจริงๆเยงง คืไปปรายโดยการหลายฝังเอ๊เขาตอบไปได้ยังไงเรานึกไม่นึกไม่ไมออกเขาตอบไปได้ยังไงอย่างนั้นนะนะมันมีจุดอ่อนอยู่เยอะมันมีมัน ม, ม, นมีมันมีทางที่จะมีปัญหาอยู่เยอะเลือแตอบแต่ว่าท่านท่านเหล่านี้ท่านไม่ตอบทันทีย้อนานมาแล้วอนนี้หลายปีแล้วนะอภัยราชาคุ ม, มาลสุท่านต่างหลายคุนึกออกที่เป็นปัญหาลักษณะของเรียกว่าเบณทากะ คือมันเกิดมาชนกันดีไมด่ดีถ้าเราตอบแล้วเราพลาดคือนีโครูนาธบุตนั้นคิดปัญหามานานหลายปีต้องการจะจะล็อกพระพุทธเจ้าให้อยู่หมัดเดก็เตรียมปัญหามาว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยจะพูดคำหยาบหรือว่าพูดคำดีเสมอไป เราเห็นว่าถ้าพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าจะพูดถ้อยคําที่ดีเสมอไปเนี่ยก็จะล็อกด้วยคำว่าเอาทั้งนั้นทําไมพระพุทธเจ้าต้องไปเรียกปเทวทัตพอเป็นคนอบายปดจะต้องตกนรกหมกไหมประสบในเดือดร้อนอยู่ในอเวจีมานรกซึ่งเป็นคำหยากตี ต, ตีถ้าหากว่าพระเจ้าพูดคำหยากบอกพูดคำหยากบบางครันเอ้าวพระเจ้าก็ไม่ต่างอะไรกับชาวบ้านชาวบ้านก็พูดหยาบพระพุทธเจ้าก็หยาบบ้างดีบ้าง ชาวบ้านก็หยาบบ้างดีบ้างมารแสดงพระเจ้าก็ไม่ต่างอะไรกับชาวบ้านเห็นไหมว่าคํามันเกิดล็อกกันเองเวลาราเอาไพ่ไรกุมาราามากราบพูนถามเนี่ยพระเจ้าบอกมันแล้วแต่กรณีคือไม่ออกทางประตูที่เขาเตรียมไม่ออกไว้มันไม่ออกทักประตูหนึ่งประตูว่าพูดไพเราะอย่างเดียวก็ไม่ออกประตูว่าพูดคำหยาบก็ไม่ออกแต่ไปออกว่ามันแลแต่กรณี สมัยโบราณในนักปราศเขาถกเฉียงกัน mm hmm. เขาเรียกว่ามีเลสสวาทีหมายความจะต้องเตรียมอะไรมาแก้เขินนิดหน่อย mm hmm. เพื่อว่าจะมีปัญหาเวลาถกเฉียงจะอ้างเลสเพื่อจะยุติการการถกเฉียงเอาไปราชกุมาร น, นั้นอุ้มพระราชโอรสเล็กๆมาด้วยวางบนตักพระพุทธเจ้าก็ยกตัวอย่างว่าเหมือนกับราชกุมารที่ ที่เป็นพโพลรถของพระองค์เนี่ยก็เพลือไปหยิบก้อนอิฐก้อนหินใส่ปากเข้าไปแล้วคืนเข้าไปไวทติดค้างอยู่เนี่ยคือพระองค์จะทํำยังไงบอกว่าต้องต้อ ง, ต, องต้องค่อยๆ อ, อ้าปากเด็กขึ้นแล้วนิ้วกดเหนี่ยวขึ้นดึงขึ้นมาก็ทําอย่างนั้นมันก็ก็ดีก้อนหินมันก็บาดพอเด็กกระอกมันจําเป็นก็ดีกว่าจะปล่อยให้เด็กตายมันจําเป็นจะต้องทําอย่างนั้นพุทธเจ้าบอกเหมือนกันเนี่ย แต่ถา้ากฎก็เหมือนกันบางทีต้องใช้คำดุหรใช้คำอยากเพราะจิตคิดอนุเคราะห์ตัวบุคคลนั้นมันก็เมือก็ช่างเหล็กตีเหล็กมันจำเป็นจะต้องตีแต่ว่าตีให้มันมีค่าขึ้นว่าเท่านั้นเองนั่นคือลักษณะของของปัญหาที่ท่านจะวิเคราะห์ที่มาของปัญหาตัวอย่างที่เคยเล่ามานานแล้วเรื่องโอาคาตาระสูตร ที่เทวดามากราบถามมากราบทูลถามพรมะพุทธเจ้าว่าโรองปฏิบัติอย่างไรจึงข้ามโอคะโอค่คือพ่วงน้ำคือกิเลสได้นะฮะหมายความมาหลุดพ้นจากสังสารวัฏได้พระเจ้ารับสั่งว่าเราไม่หยุดแล้วไม่พยายามข้ามโอค้าได้คือตอบแล้วไม่เข้าใจเลยตอบเสร็จมีคนฟังไม่เข้าใจเลยไม่หยุดไม่พยายามข้ามโอคะได้ไม่หยุดไม่พยายาม แล้วทําอะไรนะฮะเราใจเห็นราไม่หยุดด้วยแล้วไม่พยายามเลยมายความมาทําอะไรเทวดาก็เกิดข้องใจสงสัยว่าหมายความยังไงท่านไม่เข้าใจทีนี้ปัญหาว่าทําไมต้องตอบอย่างนั้นเพราะว่าเทวดาถ้าทางมันหยิ่งๆงถ้าทางมันอวดดีมาแยๆจะจับผิดพระพุทธเจ้าก็เพื่อกํำลาภแนวการกํำราภซะก่อนให้รู้สึกตัวว่าเธอไปชักจะเบ่งมากไปหน่อย กันเลยก็ตอบไปมันมันตอบจนจนคิดไม่ออก น, นะฮะแต่เสร็จแล้วพระเจ้า ก, ก็อธิบายว่าเมื่อยังไม่ถึงเนี่ยไปหยุดจอไม่ได้มันต้องเดินแต่ถ้าเดินแล้วเนี่ยถ้าเดินต่อไปนยถ้าถึงแล้วเดินต่อไปก็ก็ชื่อว่าเลยไปเพราะฉะนันไม่หยุดหมายความในขณะปฏิบัติยอย่าหยุดปฏิบัติไปเรื่อยจนกว่าจะถึงทีนี้พอถึงแล้วเนี่ยต้องไม่พยายามต่อไปคือไม่เดินต่อไป แต่เต่อไปมันก็เลยะนะมันเลยไปนี่เรียกว่าใช้ว่าไม่หยุดไม่พยาบกว่าฆ่าบกขาดได้นั่นคือแนวในการวิเคราะห์ผู้ฟัง่ผู้ถามผู้ถามปัญหาว่าผู้ถามอาหารมันมีพื้นฐานอย่างไงและจะตอบอย่างไงก็ยกัยกย้ายเปลี่ยนแปลงไปตามไปตามผู้ถามจะในกรณีนี้ก็เหมนการพระอานนท์ได้เห็นว่าปริยาภาชโชคที่มันอาชีวกรี่จ้องจะจับผิด ต้องจะผิดแนวเดียวกับที่อภัยราชกุมารมาถามพระพุทธเจ้านั่นแหละมาความตอบไม่ดีก็ถูกด่าเนี่ยตอบไม่ดีก็ถูกด่าก็ทำยังไงอย่าเอาสาัตบุคคลเข้ามาเกี่ยวปัญท า, าก็ตั้งเป็นปัญหาในแนวที่ถามให้ตอบอันนี้ก็คืออีกแนวหนึ่งที่พระพุทธเจ้าสงใช้นะฮะเราจะพูดว่าพระพุทธเจ้าจะไม่ตอบอุตรุ่ไปหมดเลยปัญหาบางทีไม่ตอบ มันจะมีการตอบอยู่สี่วิธีวิธีแรกเนี่ว่าเอกังสะวาทีหรือเอกังสะพยากรเป็นการตอบไปในแนวเดียวหมายความว่าพูดยังไงก็อย่างนั้นทุกเจ้าเจนวราชความเกิดเป็นทุกเจราความแก่เป็นทุกมรณะความตายเป็นทุกกีโกดกับเขาจะพูดอย่างนั้นทุกเี้ามันไม่มีเป็นสุขอ่ะมันไมมีทางเป็นอย่างอื่นไปได้หรือสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงสังขารทั้งหลายทั้งปรงเป็นทุกทำทั้งปรงเป็นน้าตาเนี่ยมันไม่จะไหวยังไงอ่ะ มันก็เป็นอย่างนั้นทุกทีที่เคยบอกท่านทั้งหลายว่าเป็นนิปรยายหมายความว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นคนทุกคนเกิดมาแล้วก็ต้องตายม่นธรรมดานะมีคนพวกนักวิชาการบอกว่าพระพูดซ้ําๆไม่เห็นพูดอะไรเรารู้แล้วทั้งนั้น <c oughs> ก็รู้ไม่จริงไงตียุ่งๆเนี่ยเพราะงั้นเราเราจะเห็นว่าอย่างนี้มันเขาเรียกว่านิปรยายคือพูดไปอย่างนี้ต้องเทีทยมันก็น้ํานเย็นไฟร้อนเนี่ยไม่รู้จะว่ายัางไง น้ำแข็งเย็นไฟร้อนพริกเผ็ดมันก็เผ็ดตั้งแต่เป็นธรรมชาติธรรมดาเขาอย่างนั้นเพราะงั้นแนวก็ได้เอกรางสาัพยากรทำดีได้ดีทำช่วยได้ช่วก็อย่างนั้นถูสิมันเป็นกฎธรรมชาติมันไม่ใช่พระพุทธเจ้าสร้างขึ้นนะฮะไม่ใไม่ใช่พระพเจ้าสร้างขึ้นพระเจ้าตัสรู้กฎนั้นกฎนั้นไม่มีอยู่ก่อนแล้วอีกแนวหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นวิพัชนาคือแบ่งแยก คือเราตอบลงไปไม่ได้แล้วตอบลงไปไม่ได้เช่นบางทีในรายละเอียดอย่างที่เราเคยพูดในจุราคามภัยพังกสุนะในมหาคามภัยพังกสุที่บอกว่าคนทำบาปอยู่ในปัจจุบันเนี่ยตายไปบังเกิดในสุกติก็มีคนทำบาปในปัจจุบันตายแล้วบังเกิดในทุกติก็มีไอ้คนทำบาปในปัจจุบันตายแล้วบังเกิดในสุกตินี่ชักยุ่ง มันชักยุ่งไงตอนนี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่ากรรมมันไม่ได้มีเฉพาะปัจจุบันกรรมมันมีในอดีตกรรมมีในปัจจุบันกรรมมีก่อนรับจิตดังนั้นเราจะเห็นว่ามีกรรมอยู่สามช่วงเพราะในการมนเกิดในสุคติแสดงว่าเกิดด้วยกรรมดีไม่ได้ไ ม, ไม่ไม่ได้คัดค้านกับทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนะฮะก็คงหลักการเดิม เพียงแต่ว่ากรรมดีตรงไหนที่ทาให้พอกว่าเขาบังเกิดในสุคติทั้งๆ ท, ท, ที่เราเห็นว่าเขาทำความช่วยอยู่พราเขาไม่ได้ช่วตลอดชาติก่อนฟางก่อนก็ก็ทำความดีไปเยอะแล้วก่อนก่อนจะดับจิตจิตใจก็ผ่องแพร่ก็บังเกิดในสุคติได้ไม่ได้แปลกอะไรหรือคนทําความช่วยบังเกิดในทุกติก็ไม่ได้แน่เสมอไปว่ามันเกิดด้วยกรรมในปัจจุบัน อาจจะเกิดด้วยกรรมอดีตก็ได้หรือเกิดด้วยจิตเศร้าหมองในขณะนั้นก็ได้หรือเกิดด้วยกรรมที่เป็นบาปซึ่งเ้าทำในชาตินั้นก็ได้ก็แล้วแต่ว่าเป็นรายละเอียดนะว่าเป็นในรายละเอียดอีกทีหนึ่งมันก็เหมือนกับมันก็ชีวิตของคนนะ่ะเราไม่ได้เหมาโลไปว่าคนนี้ดีตลอดหรือชั่วตลอดเวลาจะพูดถึงดีถึงชั่วก็ว่าตามสุขคดแก่กรณี กรณีดีก็ดีนะฮะเขาอาจจะชั่วแต่ว่าในกรณีนี้เขาดีเช่นะว่าคนบางทีก็สมาเลยเทเมอลไม่ได้เรื่องแต่ว่ารับผิดชอบครอบครัวดูแลลูกเมียดีนะให้ความอบอุ่นแก่บ้านออกข้างนอก อ, อกจาจจะเกะกะหน่อยพ่เข้าในบ้านแล้วก็ดีเป็นพ่อที่ดีเขาก็ดีอะ่ะตรงนั้นเราจะว่าเขาไม่ดีไม่ได้นี่คือเป็นการวิเคราะห์ไปตามสมควรแก่กรณีเหล่านั้นก็ต้องแบ่งแยกออกไป ไม่ใช่ว่าพูดเหมารวดไปเลยนะซึ่งจริงๆมันไม่มีไอ้หมารวดไปเลยเนี่ยนอกจากว่าท่านที่สมบูรณ์แล้วท่านที่แน่นอนเราจะเห็นว่าท่านท่านที่แน่นอนมันมิรไม่ไ ม, ไม่ไม่กี่พวกอะพวกที่ตกนรกแน่เนี่ยคือพวกอ น, นันเตเจกรรมอันนี้คือตกนรกแน่ไอย้ยางอื่นไม่แน่มันยังมีเงื่อนไขอีกเยอะพวกที่บังเกิดในพรหมโลกแน่เนี่ยคือพวกที่ได้ฌาดไอ้พวกนี้เกิดในพรหมโลกแน่ นะแล้วพวกพระานาคามีอย่างเงี้ยบังเกิดในสุทธาวาสแนะ่ส่วนมัสโอดาตนะกีตาคาไม่แน่แล้วแต่ท่านจะเลือกเกิดออกพระหานั้นไม่เกิดหนะ้าะไรเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีไม่กี่พวกที่จะลงตัวเป็กๆนอกนั้นมันมันมั น, ม, นมันจะต้องมีเงื่อนไขอะไรยเยอะที่เข้ามาประกอบบางการพูดยืนยันเป็นแนวเดียวมันพูดไม่ได้ท่านจึงใชายก็เรียกว่าวิพัฒชะคือแบ่งแยกจำแนกออกไปออกไปให้ชัดเจน อีกแนวหนึ่งซึ่งใช้ในกรณีของคนค่อนข้างอวดดีนะอย่างที่คููเจ้าตอบแก่ท่านสัจจะนิคร น, นที่ยกตัวอย่างในตอนต้นเนี่ยเขาเรียกว่าปฏิบูษาคือถามกลับไปเอาผลไม้ป่าผลย้ายอัดยายซื้อขนมใหญ่นะเอาผลไม้อ่ป่าผลไม้ให้ตกมาแต่อีกแนวหนึ่งเนี่ยเป็นปัญหาที่ มันเหมือนกับท่านท่านหลายลงฟังนักข่าวเขถามนะะพวรัฐมนตรีเขาให้ดูตอบไปได้ทรงเด็ชตอบทำอํำไมคือปัญหาบางอย่างมันถามซ้ํานะฮะที่งจริงมันถามซ้ําถามไปแล้วถามอีกถามแล้วถามอีกมันเปลี่ยนแต่คําถามแต่เนื้อหานันจะเหมือนเดิมคนที่ฉลาดเนี่ยเขาไม่กคยตอบปัญหาเหล่ า, านั้นเห็นท่านนายกเปรมเนี่ยท่านอยู่ได้ตั้งแปดปีกว่าเพราะนั้นไม่ตอบฮะท่านไม่ตอบตอบเปนเปลืองตัวเปล่ า, ล า, ลาตอบทําอะไร ทำซ้ำถามซากกับเด็กเมื่อกาเด็กไร้เดียงสาเด็กอมมือถามปัญหาเนี่ยปัญหายังเขาไม่ถามเมื่อถามไปแล้วเนี่ยเขาตอบไปแล้วอยังอย่งอย่างนี้ถ า, ถามอีกถามอีกมันก็เรื่องเดิมมันแหละมันเรื่องเดิมมันไม่จําเป็นจะต้องตอบเพราะถ้าตอบไปเนี่ยเราก็พลาดได้เพราะเราก็ติเสธมาแล้วในตอนต้นเราเสร็จแล้วมายืนยันในตอนปลายมันก็กลายเป็นมีปัญหาอีกนึงคือวุฒิภาวะของผู้ฟังเนี่ยเขาไม่พร้อมที่จะฟัง ไม่จะหมายความไม่ตอบในกรณีนั้นไม่ตอบในกรณีคนนั้นกลุ่มนั้นไม่ตอบแต่ว่าอีกกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งท่านก็ตอบหรือว่าโดยวิธีนี้ไม่ตอบแต่จะตอบตอบโดยวิธีเนี่ยโดยวิธีอื่นซึ่งวันก่อนเนี่ยไปทํารายการโทรทัศน์วันเสาร์านะฮะสี่ท่าครึ่งวันเสาร์แต่จะออกวันไหนยังยังไม่ทราบเหมือนกันไปทําไว้วันนั้นสี่ภาคสี่ภาคครั้งแล้กัน ก็ได้เชิญท่านศาสตราจาร ย, สยสมมนน์สุมนณอมมีวัฒน์เก่งก็นี่เก่งมากเลยก็เห็นเวลานี้ก็รณรงค์เรื่องจะบวชภิกษุณีกันมากนะฮะเราก็เอาให้ผู้หญิงตอบเองเลยเามาเป็นคนตั้งปัญหาให้อาจารย์สุมณ์ท่านตอบจะสุมณ์นี่เป็นเป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นคนที่เก่งคือท่านไม่ไปตอบไม่จเป็นยึดมั่นหรือมั่นอย่างนั้นท่านท่านตอบมามันอยู่ที่เหตุปัจจัยของมันพราสิ่ง น, นี้มีสิ่ง น, นี้มีสิ่ง น, นี้มีสิ่งนี้มีมันถอยกัน นี้เมื่อเมื่อมันเกิดไม่มีไอ้ตรงหนึ่งแล้วจะให้มีตอนปลายไม่ได้เมื่อก็ต้นไม่มีจะให้มีผลไม่ ไ, มได้มองว่ามันมันมันเป็นเรื่องของกระบวนการก็ว่ากันไปเป็นกรณีกันีก็ถือว่าคมอนะต่อปัญหาได้กมลองฟังดูก็แล้วกันวันเสาร์จะตามทุกเสาก็ได้ก็ตรงนี้พระพุทธเจ้าจะไม่ตอบ แต่ไม่ใช่ไม่ตอบสิ้นเชิงนะฮะ บ, บางเรื่องนี่จะตอบในกรณีอื่นซึ่งหมายความว่าเราเวลาพูดเนี่ยเราจะต้องมองให้ตลอดสายไอ้ตามปกติแล้วคนเราอุตสาหะในการศึกษาค้นคว้านี่น้อยคละคละ่คะเรื่องการามาสูตรนะฮะที่จริงมันมีสารหะสูตรคือใกล้ๆกันนะฮะใกล้ๆต่อไปสูตร ต, ต, ต่อกันไปอีกมีตั้งสองสามสูตรซึ่งลักษณะใกล้ๆ ใ, ใกล้เคียงกับการามาสูตรแต่ยังไม่มีคนมาก่าวอ้าง หรือแม้แต่ปัญหาที่พระเจ้าไม่ส่งพยากรณ์ที่จริงก็มีที่ส่งพยากรณ์แต่ก็ไม่มีใครพูดตรงนั้นมันก็หมายความว่าเขาไม่ได้อ่านหรือว่าจงใจที่จะที่จะพูดเฉพาะประเด็นซึ่งเขาต้องการหมายความว่าต้องการสแสวงหาประโยชน์จากการพูดเช่นนั้นจากการแสดงเช่นนั้นทีนี้พระนลทล้วก็มองปัญหาว่าท่านอาชิวกเนี่ยถามปัญหาในแนวที่เรียกว่าต้องจะผิด คือคอนข้างดูมินนะฮะค่อนข้างดูบิดพูดตอบแล้วก็จ้องจับปิดพาะนนท์ท่านท่านก็ขึ้นแนวปฏิบัติคือถามกลับเลยบอกว่าเครืองบดีท่านท่านท่านท่านท่านจงคิดได้ดีนะท่านคิดดีตั้งใจคิดดีตั้งใจฟังไงดีแล้วคิดได้ดีแล้วท่านมีความเห็นยังไงให้ตอบมาอย่างนั้นตอบตามความเห็นของท่าน ใ้ท่านลองคิดดูว่าใครก็ตามที่มีคำสอนเพื่อละราคะโทสะโมคะท่านคิดว่าคำสอนเหล่านั้นเป็นคำสอนที่เป็นสวัสดาโตรหรือเปล่าคือเป็นคำสอนที่ท่านสอนดีแล้วหรือเปล่าคือเราจะลืมนะในธรรมคุณเราพูดว่าสวัสขิาโตสวัสดาโตที่จริงใครก็ได้นะครูก็ได้ของเราภักวตาถ้าถ้าเป็นครูถ้า ถ้าเป็นอาจารย์ก็อาจารย์เะเอยนะก็ว่าไปนะแต่ก็ทำโมหมายความเป็นธรรมที่อาจารย์สอนดีแล้วเป็นธรรมที่พ่อแม่สอนดีแล้วเป็นธรรมที่ครูสอนดีแล้วก็แล้วแต่แต่ตรงตรงนี้เราก็ว่าสวัสดาโตะหมายความเป็นคําสอนที่ดีแล้วหรือเปล่าใครสอนก็ได้ใครสอนก็ได้ไดถ้าสอนคําสอนเหล่านั้นมันเพื่อลดราคะโท๊ะศาสตร์มหัถือว่าเป็นสวัสาดาิ์าโตหรือไม่ ไม่ได้ใช้คําว่าพระกวตาธรรมโนะฮะท่านทัน้นลองสังเกตุไม่ใช้คําว่าพระกวตาธรมโใช้ได้คําว่าสวัสดิโตคือสวัสดิโตนี่ใครก็ได้ถ้าสอนดีก็กเรียกว่าสวัสดิโตคือเป็นคําสอนที่คนนั้นท่านสอนดีแล้วไม่ได้ผูกขาดเฉพาะพระพุทธเจา้าท่านอาชีวกก็บอกว่าท่านผู้นั้นชื่อว่าเป็นสวัสดิโตหมายความว่าสอนดีแล้ว ไม่ได้พูดถึงใครนะไม่ได้พูดถึงใครแต่ว่าใครก็ตามสอนอย่างเงี้ยสอนให้ละราคาโทสะโมหะคือโลภะโทสะโมหะก็แล้วแต่ตอนนี้ท่านพูดในหมู่นักบวชนะท่านพูดว่าราคาโทสะโมหะคำว่าสวัขดิ์ตูเป็นระบบคําสอนคือจะมากหรือจะน้อยก็ตามเป็นคําสอนที่เกิดขึ้นจากความรู้จริง แล้วก็เป็นคําสอนที่เกิดขึ้นจากจิตใจที่บริสุทธิ์มุ่งประโยชน์เกื้อกูลแก่ผู้ฟังให้ท่านลองสังเกตว่าการโฆษณาอะไรต่างๆลำหน้าซือพิมพ์นี่นะฮะเราเห็นว่าเจตนาไม่บริสุทธิ์หมายความว่าใจเนี่ยไม่บริสุทธิ์เพราะอะไรเพราะมุ่งได้ประโยชน์จากผู้รับสื่อกัวนี้โฆษณาอย่างนั้นอย่า ง, งั้นลดอย่างนั้นตอนนั้นกี่เปอร์เซ็นต์ยังงั้นแถบย่างงั้นอยังงั้นงงันที่จริงเจตนาไม่ดีตรงนั้น ้องการเดลเงินคนอื่นการได้ประโยชน์จากคนที่รับสื่อรับการโฆษณาแต่คำสอนนั้นมุ่งประโยชน์แก่ผู้ฟังผู้สอนผู้สอนก็ได้สอนก็ได้บอก ก, ก็ไม่ได้ว่าอะไรไม่ได้ต้องการอะไรผู้สอนไม่ได้ต้องการอะไรแต่ว่าต้องการให้ผู้ฟังได้รับประโยชน์จากการสอ น, นแสดงว่าท่านมีความรู้เรื่องเหล่านั้นจริงและท่านทำงานด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์จริง คนอื่นแล้วก็มองด้วยความเมตตากรุณาจริงๆเราลองดูคําสอน ง, ง่ายๆบางทีง่ายๆเนี่ยเช่นว่าสติสัมปชัญญะเป็นธรรมมีอุปการะมากนะจะทําอะไรจะพูดอะไรจะคิดอะไรจะไปที่ไหนอยากขาดสติสัมปชัญญะให้มีสติสัพมมัญญาทุกเรื่องสองข้อนั้นเองเอาสองข้อตอนนั้นเองเราเห็นได้ชัดว่าเป็นธรรมที่มีอุปการะมากจริงๆ เรามองย้อนประวัติชีวิตของเราในช่วงใดก็ตามที่เกิดความทั้งพลาดเกิดความเผลอเรอเกิดความหลงลืมขึ้นมาและทำอะไรผิดผิดไปมันก็ขาดสติสัมปชัญญะตรงนั้นถ้าสติสัมปชัญญะมีอยู่ปัญหาเหล่านี้ก็ไม่มีปัญหาเหล่านั้นก็เกิดขึ้นไม่ได้นี่คือเป็นคำสอนที่สอนไว้ดีแล้วและเป็นของเขาอย่างนั้นตลอดไปไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยซึ่งผิดกับตัวอย่าง ท, ท, ที่ที่ยกตัวอย่างให้ฟังวันก่อนนะฮะที่วิช า, าตราจารย์ท่านหนึ่งอธิบายรัฐรรมนูญเนี่ยที่บอกว่าคนข้างนอกมีคนเก่งๆเยอะมางคนจะเชิญเข้ามาเป็นรัฐมนตรีแล้วถ้าถ้าต้องการเอาคนเก่งมาเป็นรัฐม น, เ ป, นเป็นรัฐมนตรีทําไมไม่เปิดคนเก่งให้เป็นนายกรัฐมนตรีด้วย เห็นไหมไปล็อกตัวรัฐประนูญเอาไว้ว่านายกรัฐมนตรีต้องมาจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพอไปถึงรัฐมนตรีเปิดโอกาสวา่างคณะรัฐบาลทางคารน่าในตัวนายกนี่เป็นตัวหลักนะตัวนายกนี่คุมหมดทั้งประเทศเลยข้าราชการทุกคนเนี่ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีตัวรัฐมนตรีทุกคนก็คือลูกดองนายกรัฐมนตรีแต่พอปรากฏว พ, พอถึงตัวนายกรัฐมนตรีบีบเอาไว้มาจากผู้แทนนะั่นนะมีตัวเลือกแค่3ามร้อยหกสิกันนั่นเอง กุฏิสมาชิกก็มาเป็นไม่ได้แต่พอจะเอาผู้แทนพอพอเอารัฐมนตรีเห็นว่าตัวเองจะได้เป็นด้วยเลยอธิบายเทใหม่อ้อย่างนี้แสดงว่าใจมันไม่บริสุทธิ์ใจไม่บริสุทธิ์จริงไม่บริสุทธิ์ต่อชาติแผ่นเมืองจริงๆมันต้องการผลประโยชน์เพื่อตัวเองเท่านั้นเองเพื่อตัวเองมาโป้ตัวเอง เ, อเองท่านั้นเองบพราะนั้นเราเราเรเราเเร า, เร า, เ, ร า, เ, ราเราสามารถที่จะมองสิ่งเดี๋ยนี้ได้ว่า มันเกิดขึ้นด้วยปัญญาจริงๆหรือเปล่ารอบครอบจริงๆหรือเปล่ารอบรู้จริงๆหรือถ้าเปิดโอกาสกว้างเราไม่ว่าอะไรนะฮะถ้าเปิดโอกาสกว้างหมดว่าให้เลือกคนดีที่สุดมาเนี่ยเป็นคณะรัฐบาลเก้นมาสี่สิบเก้าคนเป็นคณะรัฐบาลบริหารประเทศมีธีเลือกอยังไงก็ว่าไปแต่ไม่ไม่จะ ไ, ไปไปไปอธิบายแนวแนวนั้นมันผิดหลักของรัฐธรรมนูญเจตนารม์ของรัฐธรรมนูญที่ท่านวาง วพราแนวธรรมะที่เรียกว่าในคําสอนที่เรียกเป็นสวัสดตธรรมนั้นจะไม่มีการแปรผันเป็นอย่างอื่นไม่ว่าอะไรเป็นยังไงก็ตามเขาก็เป็นเขาอย่างนั้นเองเพราะเป็นคําสอนที่ผ่านมาเป็นความถูกต้องแล้วก็คําสอนเยอะนะฮะคําสอนเยอะที่ที่เรียกว่ามันไม่เป็นสวัสดตธรรมที่เราพบเห็นมีเยอะแยะที่ทิ้งไปอะทิ้งไปเลิกไปในคําสอนสมัยพระพุทธเจ้าก็เยอะก่อนพระพุทธเจ้าก็เยอะที่ถูกทํำลายไป ว่าเป็นคําสอนที่ผิดแล้วก็สร้างปัญหาสารภาพได้เกิดขึ้นแก่แกโลกนะฮะแกะ้แกคําสอนของคาร์มาร์เห็นหมาก็ <c oughs> ว่ามาในเจ็ดสิบกว่าปีนะคนตายกี่ร้อยล้านก็ไม่รู้สอนขึ้มานิดเดียวนะฮิตเลอร์เห็นไหยคําสอนฮิตเลอร์นะี่ขึ้นมานิดเดียวเพราะคําสอนที่ผิดแล้วมันเป็นอันตรายต่อโลกมากมายมหาศาลเลยเพราะจะขยายผลเป็นบางทีเป็นทศวรรษหลายทศวรรษนะหลายทศวรรษ ของขาดมากก็ว่าได้แปดทศวัรษเลยเยธรรมดาก็ประการต่อไปนั้นพระอนุ์ก็ถามว่าท่านจะคิดดูให้ดีว่าใครก็ตามที่ปฏิบัตนะิใครก็ตามที่ปฏิบัติเพื่อละราคาโทสะโมหะได้ทนะ่านคิดว่าท่านเหล่านั้นเป็นคนปฏิบัติดีหรือไม่ อาชีวศกถามนึงว่าคนสอนดีปฏิบัติดีพระนนทรไม่ได้บอกว่าใครอ่ะไม่ได้บอกนายกรนายขอหรือบอกอัตามาแล้วบอกว่าพระพุทธเจ้าหรือบอกว่าฟานบอกอย่างนั้นไม่ได้มันนักบวชนอกศาสนาพูดอย่างนั้นไม่ได้มันต้องพูดถึงถึงตัวธรรมะแล้วใครก็ตามนะฮะนายกรนายขอก็ได้โยมทั้งหลายก็ได้เนี่ยปฏิบัติเพื่อละราคาโทสะโมหะได้ก็ชื่อว่าเป็นการปฏิบัติดีหรือไม่ อาชิวก็บอกว่าชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติดีตรงนี้ขอให้ท่านทั้งหลายลองสังเกตว่าพระนน์ไม่ได้อธิบายโทษของราคาโทสะโมหะนะฮะเราสังเกตเทียบกับกาลามาสูตรดูนักบวชนอกศาสนาเขาก็รู้โทษของกไอราคาโทสะโมหะในกาลามาสูดพระพุทธเจ้าใช้โลภะโทสะโมหะถามถามถึงโทษของโลภะโทสะโมหะในตรงนี้พระนน์ใช้ราคาโทสะโมหะเหมือนกัน น, นะนะเหมือนกัน เพียงแต่ว่าชาวกาลามะเป็นชาวบ้านท่านจะเปลี่ยนจากราคะนี่เป็นโลภะแต่ถ้าพูดกับนักบวชเขาจะใช้โลภะนี่เปลี่ยนเป็นราคะซึ่งหมายความกิเลสประเภทคว้าเข้ามาหมาตัวเหมือนกันแต่ว่าโลภะเน้นเน้นที่ผลประโยชน์ราคะนั้นเน้นที่เรื่องเพศก็สอนเหมาะสมแก่สถานะของบุคคล อาชีวกทั้งก็รู้ว่าเป็นการปฏิบัติเพื่อลดละราคาโทสะมโหะนั้นเป็นการปฏิบัติดีแต่ใครปฏิบัติก็ตามนะถือว่าเป็นผู้ปฏิบัติดีก็ทำให้เราเห็นเปิดโอกาสว้างว่ามันไม่ได้เจาะจงที่ตัวคนแต่เจาะจงเจาะจงที่การปฏิบัติท่านจะเป็นผู้หญิงผู้ชายเป็นพระเป็นเนตนมันก็ไม่ได้แปลกอะไรนะแต่แปลกอะไรอยู่ที่ว่าเวลาปฏิบตัติมันลดละราคา โมหะลงไปได้ไหมละราคาโทรศัโมหะลงไปได้หรือไม่ถ้าปฏิบัติได้เช่นนั้นเห็นการลดเช่นนั้นก็ชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติดีเป็นเด็กก็เป็นเด็กดีเป็นพระก็พระดีเนร์ ก, ก็เนนดีโยจะโด่งก็จะโยมดีก็ไม่ว่าอะไรนะฮะไม่ได้เจาะจงคนเจาะจงชีก่กำเป็นมเจาะจงชีก้กำคือการกระทำของบุคคลคนนั้นอย่างที่บอกไว้ในวันก่อนว่าโดยเนื้อหาจริงๆของการบวช เมื่อวานซืนเมื่อาวานเลยนะฮะเมื่อวานเนี่ยวนากรอนุสาสนาจารย์ของทัพบก ค, คือไปเยี่ยมไปเห็นห้องรับแขกก็โสมโสมมานะฮะเกิดสงสารเก้นมาก็เลยให้บอกไปหาโซฟามาจะจ่ายให้เองก็ไปหาโซฟามาเราไปดูก็จัดกันยังไงก็ไปดูเขาแล้วเขก็คุยตำ ม, มากกันเขาบอกว่าติดใจที่เที่ยวมาพูดออกผลัดเรื่องการบวช ว่าเป็นศาตร์เทคนิคไอ้เขาก็นึกไม่ออกมากาอธิบายฟังว่าเนื้อเนื้อหาจริงๆเนี่ยเนื้อหาจริงๆของคําของธรรมะปฏิบัติเนี่ยอยู่ที่อหิงสาคือการไม่เบียดเบียนนักบวชบรรพชากับว่าบรรพชาก็เป็นอุบายวิธีอย่างหนึ่งที่จะยุติการเบียดเบียนซึ่งกันและกันหมายความว่าถ้าคนบวชจริงนะฮะบวชจริงบวชจริงๆไม่ใช่บวชใยรูปแบบ การเบียดเบียนกันก็จบซึ่งหมายความว่าไม่จําเป็นเนี่ยต้องแต่งยังไงก็ได้แต่ว่าให้ใจมันได้ปวดแล้วคือใจอย่าเบียดเบียนไกันที่ทรงใช้คําสั้นๆอธิบายคำว่าบันประชานไอหิงสาสันญโมธโมไอหิงสาคือการไม่เบียดเบียนไม่ทําเพื่อเป็นการเบียดเบียนคนอื่นไม่พูดเป็นการเบียดเบียนบุคคลอื่นแม้แต่ความคิดก็ไม่คิดในแนวช่างคนเด็ก นะด้วยความอาฆาตมาดร้ายมุ่งให้เกิดความพิบัติแก่คนอื่นทีนี้สัญญามาเปลว่าสำรวมเนี่ยที่จริงมันมันเพื่อบรรลุเป้าหมายตรงนี้นะเราก็สำรวมระวังสำรวมระวังอย่าให้รู้อำนาจแก่ความโกรธความโรกความหลง ก, ก็อีกอะ่ะมันก็กลับมาที่กิเลสตัว น, นี้สำรวมระวังในชั้นศีลสำรวมระวังในชั้นของความประพฤต สำรวมระวังในชั้นของสถานที่ที่เราจะเที่ยวไปอะไรต่อไรมันจะกระตุ้นให้เกิดโลภะโทสะโมหะแล้วก็ทำยังไงก็ธรรมะคือฝึกฝึกทาฝึกแล้วฝึกอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกก็ไม่ใช่ใครทำได้หรอกอยังนึกชอบใจหลวงพ่อสองรูปนะฮะหลวงพ่อองค์หนึ่งท่านเป็นพระทางภาคอีสานองค์หนึ่งทางภาคใต้ ก็เอาจับเด็กลูกชาวนาชาวป่าชาวเขาเนี่ยมาบวชมาฝึกญาติโยมที่เป็นปู่หลักผู้ใหญ่ในกรุงเทพเขาก็บน่นวันเลนของท่านจุกคุณไม่เรียบร้อยเลยท่านบอกว่าคุณจะเอาอยัางไงอัตมาเอามาจากทุ่งนะเนี่ยพูดกับคุณรู้เรื่องมันดีขนาดไหนแหละถ้าปลออยู่กลางทุ่งเนี่ยพูดกับคุณไม่รู้เรื่องเนี่ยนี่เอามาฝึกจนพูดกับคุณรู้เรื่องเนี่ยมันดีขนาดไหนแหละอีกองหนึ่งท่ทุพูเก่งกว่านั้น มันก็จับเนยอย่างเงี้ยมาบวดบวดเอาหมวกฝากแปะวัดกรุงเทพเนี่ยวัดสองงค์สามองค์สี่องค์ฝากไว้เลสมภารจะวัดก็เกรงใจท่านก็รับพอรับแล้วมุงฝึกยากะนะฮะฝึกยากมันจับกันกลางทุ่ง ม, มาบวชเลยมันก็ฝึกออกกันกันยากสมภารนักกบฏ ว, ว่าท่านมาหานี่เอาเด็กอะไรมาไม่รู้ดื้อก็ดือ้อโซนก็โซนฝึกก็ลําบากท่านบอกอา้ามันต้อฝึกเรียบร้อยแล้วผมจะเอามาฝากใต้เท้าทำอะไร เพราะมันยังไม่ได้ฝึกก็จึงเอามาฝากกันช่วยฝึกไงไอันนี้คือคื อ, ค, อคือว่าสิ่งที่เป็นการมองโลกชัดเจนฮะมองโลกชัดเจนว่ามันไม่ใช่ดีทันทีหรอกไม่ใช่ดีทันทีหรอกมันค่อยเป็นค่อยไปปัญหาสําคัญที่เราขาดจุดการมองเนี่ยฮะคือเรามองคนอื่นเกินไปเราลืมมองตัวเราลืมมองตัวอย่างคราวหนึ่งที่หนังสือพิมพ์ลงข่าวเรื่องเขา เขียนภาพมีนายแบบแสดงเป็นพระสวมสาวเบาแล้วก็ฟังเพลงอะไรอะไรเนี่ยนะนก็แสดงแล้วเกิดเรื่องกันราวขึ้นมาแล้วเขามาหาแตมาอามอมาถามว่าคุณอายุเท่าไหร่ยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยิบแปจอะไรจบเศษฐศาสตร์คุณรู้หรือเปล่าพระที่มีปัญหานี่อายุเท่าไหร่อายุก็่ยี่สิบสี่จบอะไรจบปหความรู้ต่างกับคุณเยอะ รู้ตา่างคนเยอะอายุก็ต่างกับคุณเยอะเด็กรุ่นน้องคุณนะะแกรักษาสีน207คุณเนี่ยรักษาสี5คุณรักษาไม่ได้คุณยังเมาเหล้าเลยนี่แกอายุเพียง24แต่แกรักษาสีน207แล้วแล้วแลแกไม่เรียบร้อยมากเลยคุณจะเอาอะไรกแรกเลยไอ้นี่ยคือเราลืมมองว่าเราเนี่ยแกกว่าเขาความรู้สูงกว่าเขาแต่เราก็ทําสี5ข้อไม่ได้แต่เขายุน้อยกว่าเราอายุน้อยกว่าเรา แล้วความรู้น้อยกว่าเราเราเป็นยาตรีเขาปหกเรา28เขา24ปรากฏว่าเขาเขาไม่เรียบร้อยในฐานะที่ไปฟังเพลงไปอะไรไแต่เราไม่เรียบร้อยในขานะที่เมาเหล้าไปอยู่ตามบาร์ตามครับตามอะไรเนี่ยคือเราขาดการเหมาะที่จริงมันฝึกแต่น้นคนเราฝึกแต่น้นเรียกธรรมะต้องฝึกเอา ไม่ใช่คนสมัยรูปเลยนะฮะไม่ใช่คนสมัยรูปไม่มีใครสมัยรูปพระพุทธเจ้าเองเนี่ต้องฝึกต้องฝึกอยูตั้งหกปีนั้นเจะพอในชาตินี้ในชาติก่อนเราฝึกมาอีกเท่าเท่าไรก็เยอะยะไปหมดเลยนี่คือสิ่งในระหวังเพต้องมีธรรมะในการฝึกฝึกเพื่ออะไฝึกเพื่อลดราคะลดโลลดลดโลภลดโทสะลดโมหะก็ลดเท่าที่ลดได้เอาฝึกไปก็ได้ให้มันเกิดเห็นความเปลี่ยนแปลง แนวของการขัดเกลาว่ะอย่างที่ยกตัวอย่างว่าเหมือนขัดเกลาพระชนะทองเหลืองมันอยู่ที่สนิมมากหรือสนิมน้อยขัดแรงหรือขัดเบาก็แล้วแต่มันอยู่ที่จํานวนสนิมถ้าสนิมมากก็ขัดเบาๆมันก็ขัดไม่ออกถ้าสนิมมากมันต้องขัดแรงๆแล้วก็เหนื่อยหน่อยนะฮะใช้เวลามากหน่อยเพราะสนิมมันเยอะมันดิมกินก็ไปถึงเนื้อกินตัวเนื้อมันต้องผูดมาต้องต้องต้องขัดกันนานหน่อยแต่แน่นอนว่ามันก็ค่อยๆสะอาดขึ้นน่ะยังไงก็ค่อยๆสะอาดขึ้น ท้าไม่เรามองคนอื่นด้วยความเข้าใจที่สําคัญอย่างยิ่งอย่างที่เคยบอกตัวอย่างว่าเราทําอะไรได้ดีกว่าคนอื่นนั้นเราต้องมองคนที่ทําไม่ได้อย่างเราโดยเมตตานะมองอย่างอื่นและผิดหมดเลยนะโดยเมตตากรุณามองอย่างอื่นด้วยดูหมิน่นด้วยเหยียดยามโยกตนข่มคนอื่นไอ้นี่ไม่ได้ความไม่ได้ทางนั้นเนะี่ยผิดธรรมะทางนั้นเลยต้องมองเขาด้วยเมตตากรุณาเท่านั้น มันเหมือนคนมองคนหกล้มเนี่ยมองอย่างอื่นไม่ได้นอกจากมองด้วยการุณาแล้วต้องเข้าไปประคองช่วยเหลือเขาไม่ใช่ไปด่าเขาส่งไปเลยด่าซ้ําเติมเขาเลยหรือหัวเราะเขาเลยอะไรแต่ไ ร, ไรใชไร่ไม่ได้การปฏิบัติธรรมนั้นเป็นเรื่องสําคัญเราต้องเห็นการลดของตรงนี้ตรงนี้ท่านอาชีวอกก็บอกว่าคนที่เนี่ยปฏิบัติเพื่อลดราคาโทสะโมหะได้เนี่ยเราชื่อว่าเป็นการปฏิบัติที่ดี แล้วข้อที่สามบอกว่าบุคคลใดก็ตามที่สามารถทําลายราคะโทสะโมหะได้หมดสิน้นทําให้เหมือนเป็นตาลยอดด้วนและลองสังเกตนะอุปมาตัวนี้บ่อยที่สุดเลยคนศีรษะขาดใบไม้เหลืองนะศิลาแท่งศิลาที่แตกแล้วแล้วก็ต้นตาลายยอดด้วนมองอะไรอนะ่ะมองว่ามันไม่มีการเปลี่ยนแปลงแล้วใบไม้เหลืองที่หล่นจากขั้วนั้นไม่จะเรียต่อไปแล้ว ใช้บวกราชาโลกก็ได้นะฮะใ้าอุปมาพระปราชิกทตั้งกัอุปมาสี่ข้อเนี่ยแล้วอุปมาพระอรหันต์ก็อุปมาสี่ข้อนี้เหมือนอุปมาสี่ข้อนี้เหมือนกันมันเหมือนกันไหนมันเหมือนกับใบบัวที่ท่านอุปมาเหมือนใจพระอรหันต์ว่ากิเลสไม่สามารถจะซึมซับเข้าไปสู่ใบบัวเหมือนกระยาดน้ําที่ตกลงไปใบบัวแล้วกิเลสไม่ซึมเข้าไปเนี่ยจิตใจพระอรหันต์ก็ได้แต่จิตใจคนพาลก็ได้นะะ พวกน้ำรถหัวสา삭ทั้งหลายจิตใจคนพันสอนอะไรก็ไม่เอามันไม่เข้าคําสอนไม่เข้าเข้าซ้ายทะลุขวาไปเลยแล้วก็เหมือนกับ น, น้าตกลงใบบวัวมันซึมไม่ได้เหมือนกันเห็นไหมวันนี้คืออุปมาอุปมาณั้นอย่าไปติดใจว่าเราจะใช้เฉพาะด้านใดด้านหนึ่งมันอยู่ที่ตัวอุปมาแท่นั้นตรงนี้ท่านอุปมาเหมือนคนเหมือนต้นตาลยอดด้วนไม่มีความเจริญอีกต่อไปเพราะคนที่ ละราคะโทสะโมหะได้หมดแม้จะไปเจออารมณ์ที่กระตุ้นให้เกิดราคะเกิดโทสะเกิดโมหะท่านก็ไม่เกิดอ่ะท่านไม่เกิดราคะโทสะโมหะจะปรุงแต่งอย่างไงประดิษฐ์ประดอยอย่างไงก็ตามจิตใจของท่านจะไม่หวั่นไหวก็ เ, เรียกว่าเป็นตาชิโนคือเป็นผู้คงที่แล้วคงที่จริงมันคงที่เป็นระดับระดับ ยันทั้งหลายที่ยิงก็คงที่ได้บางระดับนะก็หลายระดับบางคนก็หลายระดับแล้วนะฮะบางค น, นเห็นเขาเล่นการพนันล้วเกิดสงสารนี่แสดงว่าจิตมันก็เหนือล้เหนืออบายมุกการพนันแล้วเห็นก็ดื่มสุราก็เกิดสงสารเห็นก็เที่ยวกลางคืนก็เกิดสงสารเห็นเขาตกอบายมุกทั้งหมดเราเกิดสงสารแสดงว่าอะไรแสดงว่าจิตใจเรานั้นเข้าถึงธรรมระดับ เราเองไม่วันไหวด้วยการชวนชวนชักชวนไปเชี่ยวบาเที่ยวครับเที่ยอะไรตอะไรเนี่ยเราเราเราไม่ไปแล้วนอกจากเราไม่ไปเราสงสารคนที่เข้าไปสงสารคนที่เขาต้องไปตกเป็นเหยื่อของแหล่งอบายามุกแหล่งรึงรมน์ตอนนั้นแต่ไม่ใช่ไปด่าเขานะจะด่าเขานี่ไม่ถูกต้องเกิดสงสารเขาแล้วก็ถ้าเป็นลูกหลานอยู่ในวิสัยที่จะพูดจาชี้แจงชวนชวนชักชวนได้เนี่ย เราก็พยายามหาโอกาสที่จะพูดกับเขาชี้แนะกับเขาแต่ไม่จําเป็นจะต้องโกรธเขาหรือไม่จําเป็นจะต้องด่าเขาเพราะอะไรเพราะนั้นเป็นโกรธก็เป็นบาปไปนะเป็นบาปเดี๋ยวก็ไม่โกรธอ่ะแต่ว่าทําด้วยความกรุณาได้หรือไม่ได้ก็ไม่รู้ประสาทต่งางๆมันเป็นไปตามกรรมแต่เราก็ทําตามหน้าที่ของเราละกันพังการปฏิบัติเหล่านี้มาถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันก็หมด แต่จหลือมมันหมดได้โดยระดับทุกคนนที่จริงมันก็หมดกิเลสบางระดับอยู่แล้วนะฮะเช่นว่าอะไรล่ะการซื้อของเล่นตุ๊ ก, กาตาน้อยๆเรือน้อยๆรถน้อยๆอย่างเงนะฮะ้ชาห์เห็นโฆษณารถลูกเศรษฐีรถเล่นลูกเศรษฐีรถเบนเปิดประทุนด้วยราคาแสนห้ามาโวยฝรังมันร้กาศจริงไร้กาศนะ ได้มหาศาลเลยลูกเศรษฐีนี่สบายมากเลยแสนห้าเนี่ยซือซ้อรถเนี่ยมาขับเล่นเนี่ยนะคนเศรษฐีทั้งหลายก็โอ้ลูกอะ่ะคนหนึ่งมีคนหนึ่งมีอันนี้รวยอีกแล้วเนืง่งๆมันรวยอ่อะนี่คือคื อ, ค, อคือจิตใจเขาไงจิตใจ น, นั้นอ่อนไหวด้วยความอยากอ่อนไหวด้วยมานะไอค้คนนู้นมีได้เรามีไดไ้นั่นก็แสดงว่าอ่อนไหวด้วยมานะฉันก็หนึ่งเหมือนกันนะเธอมีฉันก็มีในที่สุดเนี่ยเยอรมันก็มาขนเงินจากเมืองไทยไปได้เยอะนะคร นี่คือจิตใจที่ยังมีสิ่งเหล่านั้นอยู่แล้วก็มีอยู่มากนะจะอ่อนไหวกับการโฆษณาแต่จะมีคนเป็นจํานวนมากนึกสงสารเห็นภาพบราก็นึกสงสา ร, สารเด็กสงสารเด็กก็หัวร่างข้างแตกแล้วนึกสงสารพ่อผมด้วยนะฮะต้องเสียเงินอีกแสนกว่าบาทเพืจะซื้อรถให้ลูกมาขับเพื่อแสดงว่าฉันลูกฉันก็คือทายาทเศรษฐีคนหนึ่งเหมือนกันทีนี้ เราจะเห็นว่าทั้งสามข้อเนี่ยนะครทั้งสามข้อเนี่ยไม่ได้พูดถึงใครเลยไม่ได้พูดถึงพระพุทธเจ้ามันพูดถึงพระหาไม่ได้พูดถึงใครเลยท่านอาชีวกก็บอกว่าที่ท่านกล่าวมาเนี่ถูกต้องเป็นความและที่ชื่นชมมากก็คือว่าการตอบปัญหาของท่านไม่เกี่ยวกะบด้วยบุคคลไม่ได้ยกคนนั้นคนนี้คนนู้นขึ้นมาแต่ว่าเกี่ยวกับด้วยการปฏิบัติ ยึดหลักของการปฏิบัติคืออย่างที่เคยบอกอนยะ่างที่ผู้เจ้าตรงแสดงว่าคนเราจะเป็นอะไรก็เป็นเพราะกรรมเป็นคนดีก็เพราะกรรมเป็นคนเลวก็ Theatre, เพราะกรรมเป็นกษัตริย์ก็เพราะกรรมชาวนาก็เพราะกรรมชาวสวนก็เพราะกรรมพ่อค้าก็เพราะกรรมคือการกระทาอะไปทําอะไรคนนั้นก็เป็นอย่างนั้นเขาไถนาอยู่บอกเขาเป็นพระราชาได้ไงเขาก็เป็นชาวนาก็เป็นชาวนาเขขับรถแท็กซี่อยู่เนี่ยจะบอกเขาเป็นเศรษฐีได้ไงแม้แต่เป็นเศรษฐีไปขับแท็กซี่ก็คือคนขับแท็กซี่ เห็นว่าคนเป็นอะไรก็เป็นตามการกระทำของเขาเพราะเป็นการตอบปัญหาที่ไม่กระทบใครไม่กระทบใครแล้วไม่ยกใครมาคมใครไม่ยกใครมาเหนือใครแล้วก็ไม่ไม่ได้กดใครเพียงแต่ว่าเป็นเกณฑ์มาตรฐานสากลซึ่งหมายความว่าคล้ายๆกับมิเตอร์เป็นเครื่องมือในการวัดอุณหภูมิก็ไม่รู้จะหนาวจะร้อนคุนอมิเตอร์วางดก็แล้วกันเราจะาร่างกายเราเป็นเครื่องวัดไม่ได้มิเตอร์ วัดร้อนวัดหนาวไม่ได้เพราะร่างกายเรามันมีความเคยชินแตกต่างกันคนรังก็ว่าอย่างคนไทยก็ว่าอย่างคนอ้วนก็ว่าอย่างผมก็ว่าอย่างมันยุ่งเสียเวลา อ, อย่างในห้องนี้มาก็เคยเตือนพันโรงคนก่อนนะนะคนก่อนมันเอาเรื่องดีมันบอกว่าไม่รู้จะทำยังไงอาจารย์คนแก่ก็ว่าหนาวสาวสาก็ว่าอุ่นคนอ้วนก็ว่าร้อนผมไม่รู้จะทำยังไง มไม่รู้จะทํำยังไงเออเห็นใจเธอเหมือนกันก็มไม่รู้จะทําังไงมาค้องเดียวกันนะั่นนะะคนแก่ๆความหน่อยก็บอกวันหนาวเหลือเกินนะปิดแอร์คนสาวๆเขาก็สบายๆนะอากาศคนดีพอคนอ้วนๆเนี่ยเขาก็ร้อนหนะ่อยๆแต่สมมติจะเอาใจใครล่ะเอาใจใครเลยยุ่งเลยเอาใจเอาใจคนแก่จะไปสร้างปัญหาแกคา่คนสาวคนอ้วน เอาใจคนว่วนคนแก่คางสันเลยมันก็ทําอะไรไม่ได้ก็เอาเท่าที่ได้นะตามที่ได้คือว่าเอาใจคนไม่ได้ก็อยู่ที่คนต้องพยายามปรับเอาแต่พอพูดถึงมิเตอร์แล้วเนี่ยมันก็อุณหภูมิเท่านั้นแหละเท่าที่อุณหภูมิมันปรากฏในขณะนั้นเพราะงั้นนี่คือเกณฑ์มาตรฐานเกณฑ์มาตรฐานในการกําหนดการปฏิบัติ ด, ดีของคนสอนดี ปฏิบัติดีและเป็นคนดีนะสอนดีปฏิบัติดีเป็นคนดีพูดง่ายๆนะระดับที่ลดลงมาเนี่ยว่าสอนดีปฏิบัติดีเป็นคนดีคําสอนนั้นจะต้องโน้มน้าจิตใจให้เห็นโทษของกิเลสแล้วก็พยายามลดกิเลสเรียนคุณก็ธรรมะพยายามปฏิบัติธรรมะเพราะ น, ท, า น, ท, า น, ท, านท่านท่านท่านทั้งหลายจะเห็นว่าเรื่องบางเรื่องนี่เราก็ไม่เชื่อเราก็ไม่เชื่อแต่มองแล้วมันเป็นขนมผสมน้ำยา ว่าทำไมเล่เหลี่ยมกโกงทั้งหลายยังต้องศึกษากันในหมู่ตำรวจเพราะว่าจริงๆโจรรอบมันจัดน่าดูเหมือนกันถ้าตำรวจไม่รู้ตำรวจก็ตายเหมือนกันไอ้ตรงเนี้ยเป็นเรื่องที่ต้องศึกษากันท่านลองดูไอ้ที่ที่ประท้วงที่ที่อะไรที่อุบนัติที่เกิดอะไรกี่ปีกี่ชาตมีไม่เขื่อนที่เคยฟ้องเคยเรียกร้องเงินค่าเสียหายในอาชีพการประมง มันไม่เคยมีนะฮะสร้างเขื่อนมุส ก, กีสิบเขือในแล้วในประเทศเราเนี่ยไม่มีการเรียกร้องค่าเสียหายเรียกร้องมาไม่หยุดเลยเกื่อนแม่หมดเนี่ยแล้วคนบางคนไม่ได้อยู่ตรงนั้นเลยอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้แล้วมาค่าบัญชีคนไทยนีนรอบจัดไม่ใชะเท่ น, น ะ, ะเคยไปพบในที่หนึ่งก็ต้องการจะเวนคืนที่ตรงนั้นตกกลางคืนบ้านขึ้นพลุบเลยที่ในป่าเนีฮยบ้านขึ้นมาพลุบเลย ไปดูฮะไม่มีไม่มีได้สี่เสาหลังคาก็มุงหาง่างๆมีฝาห่างๆพื้นไม่เมียเรียกค่าคนย้ายค่ารื้อขนราคาเป็นแสนแสนมันสังคมมันมีคนชั่วเยอะเลยต้องมีวิธีแก้เกมกับคนชั่วเลยต้องเรียนรู้ก็เขาเหมือนตำรวจเนี่ยต้องเล่นการพรนันเป็นทุกอย่างแต่เหมือนจับการพรนันไม่ได้ ต้องรู้ว่าเฮโรอีนเป็นยังไงฝิ่นเป็นยังไงมอร์ฟีนเป็นยังไ ง, งบาบิตันเป็นยังไงเหล้าแห้งเป็นยังไงเนี่ยต้องรู้หมดเพราะงั้นมันจับไม่ถูกนั่นคือโลกนะฮะคือโลกเพราะไอ้คําสอนเหล่านี้เราจะเห็นว่ามันไม่ใช่คําสอนที่ดีแต่เป็นคําสอนที่สอดคล้องกับสภาพสังคมพัฒนาสังคมเป็นอย่างนี้คําสอนพวกนี้ก็มีแต่ว่ า, าศาสนาสอนอย่างนั้นไม่ได้าศาสนาเราไม่มีหน้าที่ไปสอนคําสอนอย่างนั้น มันก็เป็นคำสอนระดับระดับหนึ่งที่เขาจะต้องสอนกันนะนะเพื่อจะแก้กเกมถึง แ, แม้แต่ผู้คนร้ายอะไรแต่ไรพวกโจรพวกอะไรเนี่ยพวกฝึกพวกฝึกลวกกระเป๋านะมันฝึกวิ่งจับขี้บุรีไม่แตกอะ่ะแลวจะส่งออกไหมมันเป็นสูตรเลย ขี้บุหรีที่วันี้มันสูงเลยมันขี้บุหรี่ที่มันเป็นเป็นอันอยู่นะแท่งเด็กมันวิ่งจับไม่แตกมือนิ่มมากนะะถ้ามือนิ่มๆอย่างนั้นเราไปทําอย่างอื่นได้จะได้ประโยชน์เยอะนี่มันฝึกไปล้วงกระเป๋าฝึกไปล้วงกระเป๋าตัวแสดงอะไรแสดงเพิ่มโลภเห็นไหมเพิ่มโลภเพิ่มโมหะเสร็จแล้วพอไม่ได้ตามที่บอกมันก็เพิ่มโทสะกิเลสมันก็เพิ่มขึ้นเลยนั่นคือคําสอนที่เรียกว่าสอนไม่ดีสอนไม่ดีสอนไม่ดี เวลาปฏิบัติขึ้นไปแต่ที่กิเลสแต่ลดกิเลสมันก็เพิ่มก็กิเลสเพิ่ม ก, ก, เเมก็ชื่อว่าปฏิบัติไม่ดีแล้วชีวิตที่ดําเนินไปก็ดําเนินไปนแบบวิถีของคน่าลก็กลายเป็นไม่ดีมันก็สะทอดอะสะท้อนภาพสองด้านแต่เราพูดด้านเดียวเราจะลืมว่าธรรมะนั้นเราจะเห็นสองด้านอยู่ตลอดตอนนี้ท่านพูดด้านดีก็หมายความว่ด้านไม่ดีก็คือว่ามันเพิ่มใครก็ไม่รู้สอนอยังไงไม่รู้นำตำราอะไรก็ไม่ เราเห็นว่าผู้หนังสือต้องห้ามทั้งหลายวิดีโอต้องห้ามหนังสือต้องห้ามภาพยนต์ต้องห้ามเราไปดูเดี๋ยวมันเพิ่มราคะเพิ่มโทสะเพิ่มโมหะ ม, มันเพิ่มกิเลสเพิ่มความรุนแรงเพิ่มความเลวร้ายขึ้นเพราะงั้นมันก็เป็นสิ่งที่ต้องห้ามแต่ถ้าจิ่งที่มีลักษณะสร้างสารรค์พัฒนาเนี่ยก็มีการชวนชวนเชิญชว น, ชว น, ชวนไปดูบางทีก็อะไรล่ะรอบแรกก็มีการ เกินผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาดูเพราะนั้นก็มีลักษณะ ส, สร้างสารรค์พัฒนาแต่ก็ไม่ไม่ถึงกับลดราคาโทษศัพทมออะไรนะก็เป็นการพูดเนี่ยเราจะเห็นว่าที่จริงแล้วเนี่ยถ้าเรามองนึกถึงตัวคุณว่าใครดลักที่สอนอย่างเงี้ยในสมัยนั้นนักบวชศาสดาทั้งหลดทั้งหมดที่มีเจ็ดท่านรุ่นพี่พระพุทธเจ้าอยู่หก ปู่จ้านั้นน้องนุษสุดท้องเลยนะฮะดัศสาด า, าทั้งหลายคำสอนอย่างนี้สอนอย่างนี้แล้วก็คนที่ปฏิบัติอย่างนี้จนถึงปฏิบัติได้สมบูรณ์ก็มีมีในพระพุทธศาสนาหนีเท่านั้ น, นไม่มีคําสอนในอย่างนี้ในาศาสนาอื่นเราจะเห็นว่ามันก็พิสูจน์ตัวอย่างได้นะอย่างอย่างศาสนานิครนึกถือว่าใกล้เคียงกับเรามากศาสนาเชนศาสนาเชนนที่คําพอนี่ แต่รดูพติกรรมของท่านน่ะท่านจองลางจองผานพระพุทธเจ้ามาเนี่ยสี่สิบตั้งหลาปีทีิปีสี่สิปีท่านท่านท่านท่านนำอดรู้เจ้าหกปีไม่ใช่สาสบกว่าปีนะฮะตอนพระพุทธเจ้าพระชนมายุสิบเจ็ดสิบเจ็ดน่ะแกตายท่านท่านนิโรนาตบุตรแกตายตอนพระพุทธเจ้าพระชนมายุสิบเจ็ดเจ็ก็แสดงว่าท่านเบียดเบียนพระพุทธเจ้าอยู่สี่สิบสามสิบสามสิบแปดปี เปียเบียร์จจาอยู่38ปีจนตายจ้างนางกินจากมนาวิกามาแต่อะไรมานี่ข้าโคโนโหมกหลังคันธะกดีของพุทธเจ้านั้นเป็นพวกเขาตั้งนั้นนะฮะนั่นก็เห็นได้ว่าไม่ได้ลดราคาโทรศามทมอโดนเพิ่มราคาโทรศาพท์มอา ก, กิ้ไปอาชิวกได้กล่าวยกจ้องสรรเสริญพระพุทธเจ้าไอ้ไม่ใช่พระอนุ์ในกรณีนี้ที่ว่าเป็นการอธิบายธรรมะ อธิบายธรรมะโดยไม่ไปเกาะกับคนอย่างที่เคยยกตัวอย่างให้ท่านนัหลายฟังว่าแนวแนวแนวสอนธรรมะจริงๆไงนะรเราจะไม่ค่อยพูดถึงคนถ้าพูดถึงคนเราต้องพูดถึงคนในอนดีตนอกจากพูดถึงคนดีนะพูดปัจจุบันได้แต่ถ้าจําเป็นจริงๆเนี่ยเราจะไม่ออกชื่อถ้าจําเป็นจริงๆเราจะไม่ออกชื่อแต่ทีนี้สถานการณ์มันเปลี่ยนโลกโลกมันเปลี่ยน คือบางทีเราพูดเรียบเรียบเนี่ยคนไม่เข้าใจวันก่อนในห้องนี้ในห้องนี้เด็กอาชีวศึกษาหลายวิทยาลัยมามาฝึกบริหารจิตเนี่ยนะฮะมาเป็นคนฝึกเองปู้แถวมีมุรีน้องจอกเนี่ยมาได้เด็กผู้ชายตัวมันบึ้มบมเลยแล้วครูผู้หญิงมาสามคนตัวก็เปีย ค, คุมเด็กผู้ชายตัวบึ้มบมาเลยตั้งร5อยห้าสิบนร้ยห้าสิึงสองร้อยเอ๊ห้องนี้ พอบรญยาลมก็เรียบร้อยดีนะพอนั่งสมาธินี่แกคงแกล้งครูนะฮะแกล้งครูหายใจฟืดฟาดฟืดฟาดฟืดฟาดดังแบนั้นอาณาปานะฟืดฟาดฟเราก็บอกว่าไม่ต้องหายใจดังๆหรอกหายใจธรรมดาธรรมดาอย่างที่หนูเคยหายใจนั่นแหละแต่ว่าตั้งสติแล้วลึกรู้อยู่ที่ลมไปเฉยนะฮะทำเฉยมาบอกไม่ต้องหายใจดังๆหรอกเดี๋ยวเขาจะนึกว่าเป็นข้อควาย นี่ก็เป็นข้อควายข้าควายมันรับมา ใ, ใจดังเอ๊แกหายหมดนะหยุดหมดเลยแล้วรุ่นที่หลังเนี่ยแกไปบอกกันนะรุ่นที่หลังไม่มีดังอย่างนั้นเลยะเออไอพวกนี้ชอบด่าฮะแปลกพูดดีๆไม่เอาพูดดีๆไม่เอาพู ด, ดนิ่มๆฟังไม่รู้เรื่องอนะ่ะว่ด่าเป็นควายทีเดียวแกหยุดเลยอ๋อนี่ว่าเออเออบางทีเนี่ยมันก็ต้องมันก็ต้องใช่อย่างนี้เหมือนกันใช้อย่างนี้เหมือนกันสำหรับคนที่มีลักษณะนิสัยอย่างนั้น แต่หมายความว่าก็ต้องทำด้วยความปรารถนาดีแบบแบบตีเหล็กอย่างที่ว่ามาแล้วตรงนี้ท่านท่านทั้งหลายจะเห็นว่ามันมั น, ม, นมันคงจะเป็นแนวตรงนี้ที่หลวงพ่อพุทธทาสท่านเคยเอาพูดเอามาไปเจอตรงไหนมันนิดเดียวมันจะรู้สึกว่าท่านคิดได้คมท่านบอกว่าสอนให้ฟังเอเอสอนให้รู้สอนให้อ สอนให้ฟังเลยสอนให้ฟังแล้วก็อะอยู่ให้เห็นทําให้ดูนะะสอนให้รู้ทําให้ดูอยู่ให้เห็นสอนให้รู้ทาให้ดูอยู่ให้เห็นคือข้าใจว่าคิดมาจากประศุทธนี่คิดมาจากแนวตรงนี้แต่ที่ท่านคิดสะอาดสงบสว่างนะฮะสะอาดสงบสว่างที่จริงลูกลูกศิษย์เองก็มั่วตีไม่ออกไม่รู้หมายความเ่าอย่งไง บางทีก็พูดสงบสะอาดสว่างสว่างสงบสะอาดอะไรแต่เราพูดมั่มวๆที่จริงต้องเรียงว่าสะอาดสงบสว่างเพราะก็เรียงตามศีลสมาธมิปัญญาสะอาดก็คือศีล ส, สงบก็คือสมาธิสว่างก็คือปัญญานะมันต้องต้องเรียงอย่างงั้นไอ้นี้ก็ก็เหมือนกันเราจะเห็นว่าสอนให้รู้สอนให้รู้อย่างนั้นอย่างั้งั้นแต่ว่าสิ่งที่รู้นั้นจะต้องลดกิเลสได้แล้วก็ทําให้ดูคือปฏิบัติให้ดูกปฏิบัติลดกิเลสให้ดู ผู้สอนก็มีการลดกิเลสลดราคะลดโทสะลดโมหะลงไปนะลดมากลดน้อยก็ตามแต่ที่น่ากลัวเวลานี้คือว่ามาประรกันหนาะแล้วคุยกันอยู่เรื่อยๆตอนนี้ยว่าทําไมอายุมากกิเลสมากแล้วคนต้องโอ้ต้องเอาใจไม่ได้ท่านจะโกรธเอ๊โ ก, กรธอะไรทําไมต้องเอาใจอะไรกันหนักหนาคนอื่นทนร้อนทนหนาวได้พอแก่ทําไมทนไม่ได้เออมันต้องหัดไอเราก็แก่แล้วเหมือนกันนะนะ แต่เรารู้ว่าเมื่อแก่แล้วกิเลยต้องลดนะมันไม่หมดหรอกนะคือว่าถามยังไงมันลดเดี๋เปล่าไง อ, อันนี้พอแกแล้วทุกคนต้องเอาอกเอาใจไม่ได้ประเดี๋ยวตะโกรนหัดโกรธใช่ไหมหรหัดทนใช่ไพมนอารมณ์ต่างๆใช่ป่ะเบื่อฝึกปรากฏว่าพอแก่แล้วโลภ ก, ก็มากโกรธก็มากอาม่าเคยถามสมเด็จอาจารย์นะผู้ใหญ่คุ้นกันนะสมเด็จวัจะเกตวันนี้นี่ถามจริงๆ ทำไมเป็นผู้ใหญ่ขีโ้โกรธท่านบอกมันเป็นอย่างนี้นะผมคิดว่าอย่างนี้นะ่าจะคุณแต่สมเด็จท่านท่านไม่ไปโกรธหรอกท่านบอกผมผมว่ามันมันมันเรื่องคนโอ้อวใจมากเกินไปพอคบประมงธนุธนอมมาโก้อวใจนะจนอะไรยุงย ไ, ไม่ให้ไอะไรแม่ตออลักษณะยุงไม่ให้ไต่ไรไม่ให้ ต, ต่อา่ายังมองถึงถึงว่าทําไมพระเจ้าแผ่นดินสมัยก่อนประชนมายุสั้ ทำไมในหลวงจึงอยู่ได้สบายนะเราเห็นว่าในหลวงเนี่ท time, female, ่านท่านกล้านแดดก้านลมนะองค์เดียวเดินเดินอุตรุษเด็ดเจ้าแผ่นดินมันเด็จออกมีสอบมพลก้านมีนะโอ้ยไม่อะไรถูกลงก็ไม่ถูกเลยขึ้นเดินก็ไม่ค่อยเดินเดิเดินไม่ค่อยเดินทำให้พระชนสั้นเราลองนับดูเดี๋ยวฮะว่าราการที่หนึ่งองเดียวทึ่งทึ่งทึ่งทึงึ่งท่านก็เพิ่งปราบดาบพิเศษนะปราบดาบพิเศษ นก็ลุยเดินทางไปทั่วบ้านทั่วเมืองมาแล้วนะฮะในแข็งแกร่งแล้นอกนั้นอายุน้อยอายุน้อยอยเพราะงั้นตรงตรงนี้เราจะเห็นได้ชัดเจนมากเลยว่าภูมิรั้นฐานนะภูมิรั้นฐานภายในจิตหรือภายในกายนะจะมีลักษณะอย่างเดียวกันถ้าเรามีภูมิรั้นฐานโรคต่ําร่างกายเราก็เกิดโรคภูมิรั้นฐานจิตต่ํานะร่างกายเราจิตใจเราก็อ่อนไหวง่ายโกรธง่าย หลงง่ายริษยาง่ายบางเชียไม่ได้เรื่องไงนะฮะ แ, แก่แล้วยังงอนอยังริษยายอะไรก็ไม่รู้เอาไปทําอะไรเอาไปทําอะไรของเหล่านี้เป็นของที่ดึงจิตเราให้ตับดึงจิตเราให้ไม่เสงมเพราะงั้ง น, ท, น, ท, นท่านแสดงลักษณะว่าที่สถานที่นี่ไม่สําคัญที่ลุ่มที่ดอนที่เป็นป่าเป็นเขาเป็นหุเบเอียอะไร พระหารอยู่ในที่ใดที่นั้นก็รื่นลมหมายความว่าสำหรับคนคนนั้นเน่มันจะรื่นรบอยู่ที่ใดก็ได้มันอยู่ที่ใจของท่านเหล่านั้นแต่นอนเราก็คงไม่ถึงชั้นนั้นแต่ว่าทำยังไงละว่าต้องเห็นตัวลดตัวนี้ลดความโลภลดลงไปความโกรธลดลงไปความหลงลดลงไปถ้าจะสอนลูกหลานก็สอนให้เห็นว่าตัวนี้มันลดลงไปไม่ใช่สอนฟุง้งเฟ้อแข่งกันมีแข่งกันเป็นแข่งกันสนุกสนาน นะประกอบประคันกันแล้มายังมองว่าปัญหาสังคมต่อไปเนี่ยเป็นปัญหาเศรษฐกิจต้องทับทวีแน่นอนเลยทับทวีแล้วแก้ไม่ทันนะเพราะผิดผลเนี่ยไม่สัมพันธ์กับการเพิ่มของประชากรประชากรเพิ่เพิ่มเพิ่มเผิดผ ล, ผ ล, ผ ล, ผ ล, ผลมันเพิ่มไม่ทันเกิดภัยธรรมชาติซสียบ้างอะไรแต่อะไรบ้างเข้าล้มนานานาล้มไปเป็นเป็นเป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นแส น, แสนไร่เป็นลาน้ลานไร่อะไรแต่ไรเนี่ยแต่ว่าคนมันมันมันเกิดไปเรื่อย ได้ยินอยู่หรูหราฟุฟ้านะหรูหราฟุ่มฟ้าโอ้โหมันมันอะไรมากมายไกลกองนี่คือสิ่งที่เราจำเป็นจะต้องฝึกเพื่อลดตัวนี้ลดราคาโทสามโมหนะโลภะโทวส า, ามโมหะนี้ฮให้มีเหตุผลในการอารมชีวิตมากยิ่งขึ้นแล้วประเด็นสุดท้ายที่เราจะเห็นได้ชัดอย่างหนึ่งก็คือสภาพสังคม สภาพสังคมมันก่อนมาก็ออกอากาศไปกับท่านอธิบดีองค์การศาสนาคนใหม่นะฮะมาคุยกันเขาจะคิดียวจะทํางานอะไรอะไรเยอะเป็นดต็ตรหนุม่มอ่ะแล้วก็บอกว่าในเมื่อกรมการศาสนาเป็นกรมศาสนาไม่ได้หมายควา ม, มากรมพระพุทธศาสนาเนี่ยเพราะมันจะต้องมีคณะกรรมการที่เรียกว่าประสานงานในี่คล้ายๆศาสนาสัมพันธ์นักบวชทุ่ศาสนาเนี่ยต้องมานั่งโต๊ะคุยกันให้ได้ พอมาตั้งนั่งนั่งต๊ะคุยการระยะแอบจะแอบเบียดเบียนไส่ร้ายอะไรแต่ไรเบียดเบียนศาสนาสนาเพื่อมาช่วยกันทํางานพัฒนาศาสนิกชนตัวเองพุทธก็ช่วยพุทธคริสก็ช่วยคริสแล้วถ้าคริสจะช่วยพุทธก็ช่วยในฐานะเป็นพุทธพุทธจะช่วยคริสก็ช่วยในฐานะที่ก็เป็นคริสไม่ใช่ช่วยเพื่อดึงเขามาเป็นพุทธจะต้องทํางานโดยตรงการตรงนี้นะมีหลักการตรงนี้แล้วก็นักบวชนั้นไม่ควรจะเป็น ผู้นำในการก่อการทะเลาะว้ว่าแต่ว่าที่ยุ่งๆก็เพราะว่าคนมันมั น, ม, นมันหาเรื่องมันเยอะเลอเกินก็ต้องมีการชี้แจงต้องมีการบอกกลับกันนักบวชในสมัยนั้นโดยเฉพาะนักบวชที่เป็นธรรมทิฏฐิเนี่ยท่านก็ยนเยื่มเยินกันไปมาหาสู่กันถามสาร้นทุกข์สุขติดกันอบางทีพระพุทธเจ้าเองเวลาเสด็จออกบิณฑบาตยังเช้าอยู่ ก็แวะเข้าไปในอารามณ์พวกเนี้ยอาชีวภพวกอาชีวกพวกอาเจโลกทั้งหลายเนี่ยพวกนวกักปวดพวกปริพาโชคพวกสมาธถติธินะฮะแต่พวกวิชาติธิไม่ไปหรอกปอยก็พูดก็เป็นรู้เรื่องนี่ก็เป็ น, เ ป, นเป็นหลักการปฏิบัติที่เราเห็นถึงหลักการทํางานของพระยาบุคคลพระนนตอนนั้นเป็นพรโสดาบันนะนะฮะเป็นประโสดาบันเราจะเห็นว่าการตอบปัญหนานี่แหลมไม่ใช่เล่นเลยนะฮะคมผมคล้ายมาก วันนี้ก็ขออุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่า น, นี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอ่งงามไปบูรในธรรมจะมีแต่ท่านสาธารณชนทั้งหลายดยตัว ก, กันทุกท่านคือ